พี่แหม่มเป็นไงบ้าง <c oughs> <ส><ญ> น, นั่นม่เจอพอดีพี่แหม่มดูตรงนี้เลยดูตรงที่จิ ต, ตของเราเนี่ยจิตเราไม่อยากจะไปดูตรงที่จิ ต, ตมันอยากถ้าดูทวนเข้าถึงตัวจิตได้พวกนั้นจะหมดไปเลยอย่างง่ายก็ ในพี่แหม่มดูที่ความอยากนะแล้วก็ต่อมามันก็อยากไม่คิดนะถ้าดูถึงอยากไม่คิดได้เนี่ยใจจะกลางเป็นกลางถ้าเป็นกลางแล้วก็ไม่ต้องไปต่อสู้กับมันถ้าอย่างมันไปคิดแล้วเราพยายามฝืนเนี่ยคล้ายๆเราตกน้ําไปแล้วพยายามไหว้ทวนน้ำอย่างนี้เหนื่อยก็ดีเหมือนกันแต่มีวิธีที่ง่ายกว่านั้นอีกก็คืออย่าไปตกน้ํำตั้งแต่แรกอย่างพอเราเห็นว่าจิตเรามันจะไหลไปเนี่ย สังเกตเรามีแรงต้านเราไม่อยากให้ไหลรู้ทันที่มันไม่อยากให้ไหลถ้าเราทวนเข้ามาดูจิตเราไม่ไปดูไอ้ตรงที่จะไหลไปมันก็จะไม่ไปนั้นถ้าเราทวนเข้าถึงจิตถึงใจนี้ความปรุงแต่งมันจะดับหมดฮะดีดีอย่างนี้เป็นพัฒนาการ ใช่ใช่แล้วอินเข้าไปข้างในคือจริงๆส่งนอกไม่ค่อยมีความหมายอะไรนะอย่างตาไปเห็นเนี่ยแต่เสร็จแล้วใจเราเข้าไปคิดมันไปหลงอยู่ข้างในแต่บางท่านท่านก็เรียกนอกเหมือนกันนะท่านก็เรียกว่าอย่างเนี้นอกไปถ้าในาหมายถึงเพ่งเข้าไปข้างใน เขาไปกวานลึกๆเขาไปในจิตถ้าไหลไปในความคิดบางท่านท่านก็เรียกส่งนอกแล้วแต่สมมุติบรรยัตินี้แมไม่มีความหมายอะไรแค่รู้ว่าใจเราไม่ตั้งมั่นอ่ะใจเราไหลไปทางน้นไหลไ ป, ไปทางนี้นะถ้าเราทราบเท่านี้ก็พอละนบางท่านก็เรียกส่งนอกบางท่านก็เรียกส่งในบางท่านแยกอย่างนี้ว่าถ้าหลงไปทางตาหูจมูกลิ้นกายเียส่งนอกถ้าหลงมาทางใจเรียกส่งใน นี่ในความรู้สึกของผู้ปฏิบัติเนี่ยบางทีหลงอยู่ในความคิดเนี่ยเหมือนกับไปข้างนอกนะไหลไหลหลเหมือนหลุดออกไปข้างนอกแต่ถ้าเวลาลงมือปฏิบัตินั่งจ้องเนี่ยเหมือนจะเข้ามาข้างในแล้วแต่สมมติบัญญัติถ้าโดยความรู้สึกเนี่ยเผลอไปคิด ก, ก็เหมือนออกนอกน ความก้าวหน้าของการปฏิบัติระวัดกันตรงนี้เองว่าเรารู้สึกตัวได้ไหวขึ้นไหมนะแต่เดิมเราเผลอยาวเผลอวันหนึ่งครั้งเดียวตั้งแต่ตื่นจนหลับนี่เราหัดเจริญสติเราจะพบว่าเดี๋ยวเผลอแวบเรารู้แวบเรารู้และยิ่งแวบบ่อยรู้บ่อยยิ่งดีง ม, มันเสื่อมนะมันของยังเสื่อมอยู่มันยังโลกีธรรมแต่ว่าคอยดูไปเรื่อยนะ มันจะพัฒนาไปเรื่อยถ้าเราดูเป็นวันๆเนี่ยเราจะพบว่าโอ้เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายแต่เราถ้าเราดูอย่างรายไตรามาสเนี่ยเพราะว่ามันมีเทรนที่ดีขึ้นเรื่อยๆลองนึกตอนนี้กับเมื่อสามเดือนก่อนเนี่ยความรู้ความเข้าใจธรรมมาไม่เหมือนกันนะกับเมื่อหกเดือนก่อนก็ไม่เหมือนกันเป็นเทรนที่ดีเรื่อยๆแต่ถ้าดูรายวันแล้วจะยุ่งเอ๊ะเราไม่เจริญสักที เพราะว่าเห็นเจะเลยแล้วเสื่อมเจะเลยแล้วเสื่อมธรรมชาติมันต้องเป็นอย่างนั้นใใชใช่่ นั้นสำมาล้วนๆเอยคือถ้าเราเฝ้ารู้เฝ้าดูนะเข้าถึงจิตถึงใจเราจะเห็นว่าบังคับไม่ได้บังคับไม่ได้แล้วก็ลึกลับซับซ้อนมากอย่างเราดูเข้าไปถึงตรงนี้ละเอียดลงไปก็ยังมีอีกลึกๆลึกลงไปอย่างแค่ความทุกข์นะความทุกข์ก็มีหลายชั้นมากเลยอย่างท่านบอกรู้ทุกข์รู้ทุกข์เนี่ยรู้แค่ไหนถึงจะรู้ทุกข์ ถ้าเราฟังอริยสัจสี่ที่พระพุทธเจ้าแสดงเนี่ยท่านบอกว่าโดยย่ออปุปาทานขันห้าคือทุกข์คือขันนั่นเองตัวทุกข์กายกับใจเป็นตัวทุกข์อย่งเราดูว่าใจเป็นตัวทุกข์เราดูไม่ออกหรอกแต่เราจะรู้สึกว่าถ้าใจหลงไปผิดหวังเนี่ยใจผิดหวังเนี้ยเป็นทุกข์นะถ้าใจมีความอยากมีความดิ้นรนอย่างเงี้ยใจเป็นทุกข์แต่ใจเฉยๆที่ไม่ถูกอารมณ์ย้อมเลยเนี่ยเราดูไม่ออกหรอว่าทุกข์ ถ้าดูไม่ออกก็แสดงว่าเรายัางแทงไม่ตลอดอริยสัจสี่นะงั้นเบื้องต้นแล้วก็อย่างการรู้ทุกข์เนี่ยนะใหม่ๆรู้ว่าเออถ้าผิดหวังแล้วทุกข์ถ้าประสบกับอารมณ์ที่ไม่ดีแล้วทุกข์นะถ้าเจออารมณ์ดีเรารู้สึกสุขนแะต่มาพอเราปฏิบัติมากข้าวมากข้าวเราก็จะเห็นว่าไอ้ความสุขไม่มีจริงหรอกนะความสุขมันช่วงไหนความทุกข์ลดลงเรารู้สึกสุขนะ เห็นทุกข์ได้เยอะขึ้นแต่ทุกข์ชนิดนี้ก็ยังเกี่ยวพันอยู่กับสองอย่างคือระหว่างอารมณ์กับจิตถ้ายังเจออารมณ์ไม่ดีก็ทุกข์พวกที่เห็นอารมณ์ไม่ดีแล้วเป็นทุกข์เนี่ยจะเที่ยวหาอารมณ์ดีและจะเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในกามาวาจารกุศลอยากได้อารมณ์ดีนะถ้าฉลาดก็สร้างคุณงามความดีเพื่อจะได้อารมณ์ที่ดีอย่างทําบุญทําทานอย่างที่พี่แม่มทำเนี่ย นะผลที่จะได้ก็คือจะได้อารมณ์ที่ดีแล้วเราก็จะรู้สึกมีความสุขนะนีอ่อีกกลุ่มหนึ่งนะมาสังเกตอีกอารมณ์มันของไม่เที่ยงนะอันนี้ได้มาแล้วนานไปก็ไม่สุขอีกแล้วต้องเอาอันใหม่ อ, นะอารมณ์ไม่เที่ยงจิตใจของเรานี้ทั้งหากเที่ยวดิ้นรนค้นคว้าเที่ยวแสวงหาถ้าเมื่อไหร่จิตสงบจิตไม่ดิ้นรนจิตจะมีความสุขนะเริ่มเห็นแล้วว่าถ้าจิตสงบแล้วมีความสุข ถ้าคนเห็นว่าจิตสงบแล้วมีความสุขเนี่ยจะไปเป็นพรหมนะเพราะไปรักษาจิตของเราไว้ให้ดีถ้าพวกเห็นว่าอารมณ์เป็นสุขก็จะเที่ยวอยู่ในกามาวาจรกุศลนี่แต่ถ้าเมื่อไหร่เราสามารถสติปัญญาเรากล้าขึ้นมานะเราเห็นว่าตัวจิตเองแหละตัวทุกข์ตรงนี้จะนิพพานะนะเพราะว่าจะไปที่ไหนก็ทุกข์หมดงั้นไม่ไปที่ไหนเลยตัวจิตเองเป็นตัวทุกข์เมื่อวานนี้มีหมอมาเรียนคนหนึ่ง บอกว่าพอมาหัดดูแล้วทำไมเห็นกิเลสเยอะแยะเลยเมื่อก่อนไม่มีกิเลสมาปฏิบัติลแล้วกิเลสมากบอกไม่ใช่เมื่อก่อนไม่เห็นกิเลสต่างหากลเลยคิดว่าตัวดีพอไปนั่งดูเข้าจริงๆโอ้โหกิเลสเยอะแยะเลยนะตกใจตัวเองะแล้วจะมาบอกว่าทำม้านี่ไม่ดีทําให้กิเลสเพิ่มไม่ได้นะ <c oughs> บอกเหมือนคนไข้เป็นมะเร็งมาเนี่ยไม่รู้ว่าเป็นมะเร็งนะเดินเข้าโรงพยาบาลมาปลอเลยมาตรวจร่างกาย พอรู้ว่าเป็นมะเร็งเนี่ยหมอบอกไม่ใช่ความผิดหมอนะแต่คนไข้เดินกลับบ้านไม่ได้เราต้องหามกลับไปจิตของเราเนี่ยแต่เดิมเราก็คิดว่าเราดีแล้วเรามีสติเฝ้ารู้ลงไปโอ้มันมีโรคเยอะแยะเลยนี่พอดูไปมากเข้ามากเข้าจนกระทั่งถึงตัวจิตผู้รู้ที่แรกจิตมันไปคลุกกอารมณ์แล้วก็ดูไปโอ้จิตไปคลุกอารมณ์แล้วเป็นทุกข์ดูไปัวไปจิตถอดถอนออกจากอารมณ์ไม่ทุกข์นี่ จะเริ่มเห็นอย่างนี้พอจิตตั้งมั่นเป็นจิตผู้รู้อยู่เฝ้นะารู้เฝ้าดูต่อไปจะเห็นตัวจิตนั่นแหละตัวทุกข์แล้วนเะมื่อไหร่เห็นตัวจิตเป็นตัวทุกข์เนี่ยเรียกว่าแทงตลอดอริยสัจที่พระพุทธเจ้าสอนท่านสอนว่ากายกับจิตเนยะเป็นตัวทุกข์ขันธ์นะัตัวทุกข์ตัวมันเองนั่นแหละตัวทุกข์ไม่ต้องว่าไปเจออารมณ์ไม่ดีหรอกนะอไม่ใช่ทุกข์มีหลายระดับพี่แบบทุกข์ขั้นสูงสุดเลยเนี่ยนะคือตัวมันน่ะตัวทุกข์ อย่างสมมุติร่างกายเราเนี่ยร่างกายเหล่านี้แหละตัวทุกข์กายดูง่ายอย่างนั่งเฉยๆเดี๋ยวก็เจ็บเดี๋ยวก็ปวดเราไม่ต้องทําอะไรมีแต่ความทุกข์แต่ตัวจิตนี่ดูยากงั้นการปฏิบัติจะเป็นลําดับลําดับมาอย่างเบื้องต้นเราจะเห็นอารมณ์เกิดดับเห็นความสุขเกิดแล้วดับทุกข์เกิดแล้วดับในเฝ้ารู้ไปในสุดจิตรู้ความจริงว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นสิ่งนั้นดับไปเป็นธรรมดาเนี่ยเราก็ได้ธรรมะมาขั้นหนึ่ง พอดูไปดูไปเราพบอีกอ้อลำพังสภาวะธรรมเกิดขึ้นเช่นสุขทุกข์ดีชั่วเกิดขึ้นในจิตยังไม่ทุกข์หรอกถ้าจิตไหลเข้าไปยึดถือเนี่ยจิตถึงจะทุกข์ที่แม่มดูตรงนี้ออกเห็นไหมถ้าจิตไหลเข้าไปจิตจะทุกข์นะทารู้อย่างนี้จิตจะไม่ค่อยไหลแล้จิตจะค่อยๆถอยออกมาโดยที่เราไม่ต้องบังคับแบบนี้จิตถ้าเมื่อไหร่มันหลุดออกมาแล้วทรงอยู่ได้เรียกว่ามันมีสัมมาสมาธนะิมันทรงตัวอยู่โดยที่มันไม่ไหลเข้าไปไม่ส่งไหน ไม่ส่งนอกไม่ส่งในนะนะอันนั้นเป็นภูมิธรรมชั้นที่สามเรียกว่ามีสมาธิบริบูรณ์นะถัดจากนั้นเนี่ยเราถึงจะสามารถเห็นได้ดูไปเรื่อยๆที่จิตผู้รู้จิตซึ่งมันไม่ไหลละดูไปเรื่อยๆจนวันหนึ่งมันแจ้งออกมาว่ามันเป็นทุกข์ตัวมันเป็นทุกข์โอ้มันทุกข์สาหัสครูบาอาจารย์บอกทุกทับสลบทุกแทบตายตัวมันเลยทุกข์เอง นี่อย่างทุกอย่างนี้เรายังไม่เห็นเราเห็นทุกที่ว่าถ้าจิตวิ่งไปทำงานแล้วทุกถ้าทาอย่างคนทั่วๆไปไม่ได้ฝึกเนี่ยก็ต้องอยากกว่านี้จิตไปหวังแล้วก็ผิดหวังถึงจะทุกเนีย่ยจะรู้จักทุกระดับนี้ของเราแค่จิตส่งสายออกก็เห็นทุกแล้วนะงั้นนี่เป็นพัฒนาการทางปัญญางเรางั้นเราเบื้องต้นเราก็หัดดูสภาวะนะสภาวะอะไรเกิดขึ้นในใจ นะความสุขความทุกข์ความดีความชั่วนะรู้สึกตัวเผลออะไรเกิดขึ้นนะให้คอยรู้ไปเรื่อยๆรู้ไปนานๆเราจะเห็นอาการของจิตไม่ใช่เห็นแค่ตัวสภาวะเราจะเห็นว่าบางทีจิตก็เคลื่อนเข้าไปบางทีจิตก็สักว่ารู้สักว่าดูอยู่ถ้าเมื่อไหร่จิตไหลเข้าไปเกาะอารมณ์นี้ก็รู้สึกทุกข์แรงขึ้น พอรู้อย่างนี้ต่อไปถึงไม่บังคับเนี่ยก็ไม่ไหลเข้าไปถ้ามันไม่ไหลเข้าไปก็เรียกสมาธิมันบริบูรณ์นะในตําราท่านสอนไหมบอกว่าพระโสดาบันเนี่ยมีศีลบริบูรณ์นะมีสมาธิเล็กน้อยมีปัญญาเล็กน้อยสมาธิเล็กน้อยหมายถึงอะไรมีจิตที่ตั้งมั่นน้อยจิตยังไหลเยอะปัญญาหมายถึงอะไรปัญญาเห็นแจ้งอริยสัจยังไม่เห็นจริง ยังเห็นไม่ถึงว่าจิตเป็นทุกข์เห็นแต่ว่าสิ่งทั้งหลายไม่ใช่ตัวเราเห็นได้แค่นั้นพอได้อีกชั้นหนึ่งก็จะศีลบริบูรณ์นะมีสมาธิปานกลางจิตเริ่มตั้งมั่นมากขึ้นแล้วนะนะมีปัญญาเล็กน้อยถ้าส่งภูมิธรรมชั้นที่สามฉันบอกว่ามีศีลบริบูรณ์มีสมาธิบริบูรณ์มีปัญญาปานกลางจะเป็นลําดับลําดับไป งันเราพัฒนาของเราเรื่อยๆศีลเบื้องต้นถ้าเรายังรู้สึกว่าถือศีลลาบากเนี่ยแสดงว่าศีลเรายังไม่บริบูรณ์แต่ถ้ารู้สึกว่าถือศีลแล้วสบายเนี่ยศีลชักจะบริบูรณ์อ่ะยังต้องโกหกมันเหนื่อยกว่าไม่โกหกจะฆ่าสัตว์เนี่ยลาบากกว่ากลาบกว่าไม่ฆ่าอยากได้ของคนอื่นลําบากกว่าให้ ถ้าถ้าความรู้สึกมันเริ่มเปลี่ยนเนะแล้วสีมันจะเกิดเองนะคือถ้าเรามีสติเฝ้ารู้อยู่ที่จิตมันจะเป็นไปเองนี่เราจะเฝ้ารู้จิตใจของเราได้ก็ต้องไม่เผลอนะอันที่หนึ่งไม่เผลออันที่สองไม่นั่งจ้องไว้นะพี่แหม่มต้องระวังเรื่องนั่งจ้องนะพวกที่ชอบเข้าคอสเนี่ยนัดจ้องเหมืออาชีพเลย <c oughs> ตรงนี้พอสังเกตออกไหมการนั่งจ้องไว้มันผิดหลักแล้วพระพุทธเจ้าบอกให้ตามรู้ท่าไม่ได้ให้นั่งจ้องตามรู้ก็เพื่อจะได้รู้ว่าจริงๆเขาเป็นยังไงจริงๆเขาไม่เที่ยงนะจริงๆเขาบังคับเขาไม่ได้นะอย่างพี่แหม่มเริ่มเห็นแล้วว่าโอ้จิตเป็นของน่ากลัวจิตเป็นของที่บังคับไม่ได้ะพลิกแปลงสารพัดเลยอย่างเดิมเรานึกว่าดีบางทีเกิดสับสนเลย ปฏิบัติเราแย่กว่าเก่ารู้สึกแย่กว่าเก่ามีนะเยอะเลยหลายคนมาโอ้เดี๋ยวนี้หนูเป็นแม่มดแล้วเมื่อก่อนเป็นแม่พระมาสารภาพรู้แล้วแม่แม่มดตัวจริงอยู่ที่ไหนทำไมแล้วภาวนาแล้วแย่ลงนั้นดีขึ้นนะฮรับเมื่อก่อนนะอาการสาหัสมองไม่เห็นการปฏิบัติก็ง่ายๆนะอย่าใจลอย อย่าเผลอไปอย่าคิดเอาให้คอยรู้สึกเอาจิตใจของเรารู้สึกยังไงก็คอยรู้ไปเบื้องต้นก็แค่รู้ว่ารู้สึกต่อมาจะเห็นว่ามันมีอาการบางทีก็หลงไปโน้นหลงไปนี้งคุณมันนีไปคิดอะไรเงี้ยพอดูออกหรงเวลามันเผลอไปคิดเผลอไปอย่าไปตั้งใจทำอย่างนี้ ดูออกไหมพอตั้งใจแล้วมันนิ่งผิดความจริงเราไม่ต้องการฝึกให้นิ่งเราต้องการฝึกให้เห็นว่ามันไม่นิ่งฝึกให้เห็นว่ามันไม่เที่ยงเออดีแล้วถึงฝึกง่ายนะเข้าคอท เ, เยอะฝึกยากบางคนแกะไม่ออกนะเยอะเลย ทั้งวันเลยนะแต่เดิมเวลาเข้าคอร์สถึงจะทำใจทื่อๆแล้วชำนาญ น, นี่ทื่อทั้งวันเลยเดี๋ยวใครก็เฉยเฉยเฉยบอกว่าจิตเป็นกลางจริงจิตหมดคุณภาพแล้วดิ้นไม่ไหวนะเหมือนปลาถูกทุบหัวทุบไปหลายทีแล้วมันไม่ดิ้นแล้วบอกใหม่มันสงบดีอ้าวใครมีอะไรจะถามเชิญนะ หลักปฏิบัติจริงๆมันก็มีเท่านี้เองนะศีลสมาธิปัญญาก่อนจะไปเจริญปัญญาต้องมีสัมมาสมาธิสัมมาสมาธิคือจิตที่ตั้งมั่นรู้เนื้อรู้ตัวอยู่จิตไม่ลงไม่ไหลไปถัดจากนั้นก็ไปเจริญปัญญาคือคอยตามรู้กายตามรู้ใจต้องตามรู้อย่าไปดักไว้ตามรู้อย่างที่เขาเป็นเนี่ยไปทำขึ้นมาอนะีกแล้ว ดูออกไหมต้องระวังนะตัวนี้ส่วนมากพอหัดดูได้สักพักหนึ่งเนี้ยต่อไปจะเริ่มไปนั่งจ้องเอาไว้อย่าไปจ้องจ้องไว้ผิดธรรมชาตินี่พอเรารู้สึกตัวเป็นแล้วเรารู้ว่ารู้เป็นยังไงเผลอเป็นยังไงเนี่ยแล้วก็ค่อยเจริญสติปัฏฐานนี่เรามีสติก่อนมีสติมีสมาธิแล้วอนี้พร้อมที่จะไปเจริญปัญญาจริงๆ ถ้าเรายังไม่มีความรู้สึกตัวอยู่ๆก็โดด้าไปจะทำวิปัสสนากลายเป็นนั่งเพ่งหมดอ่ะสัมมาสมาธิคือความรู้สึกตัวหนีแล้วนะใจนีอันนั่งดูใจของเรานะสังเกตความรู้สึกที่เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆเดี๋ยวใจเราก็รู้ตัวเดี๋ยวก็หนีไปคอยสังเกตขัต้นตอนหัดอย่างนี้ นูน่าจะกลับแล้วไม่ใช่หรือ่าั่ไปๆแล้วมันกย่เๆหเรือแล้วตรงนี้พอ่ที่มันอยู่ิ่งเนี่ยมันต้องไม่ไม่อยากไปตามรู้ตอ่าง้คือว่าไงยน้นมันขี้เกียจคือพอดูไปเรื่อยๆแล้วมันสบายนะต่อไปก็ไม่อยากยุ่งกับใครเลยวันๆอยากเข้าถ้ำ นะไม่อยากยุ่งกับใครเมืนะ่อก่อนที่องค์การก็มีคนหนึ่งนะภาวนาขยันภาวนาดูไปเรื่อยๆจนกระทั่งวันหนึ่งหัวหน้ากองเรียกมามอบงานไปแวดใส่หัวหน้ากองเลยนี่คุณคนเขาจะปฏิบัติธรรมาเรียกใช้งานอยู่ได้นะนะคนใจบาปหยาบช้า <laughs> โ, โ, โลืมไปนะว่าเขาจ้างมาทำงานนะ นะเราเจอยอย่าให้ใจมันลงไปทื่ อ, อๆเฉยๆเพลินๆนะออกมารผชนญ ป, ป, ป, ประปประชนกับโลกไปนะทำความสงบพักผ่อนนะพักผ่อนเสร็จแล้วออกมาตาหูจมูกลิ้นกายใจออกมากระทบแต่มาปฏิบัติเนี่ยไม่หนีนะก่อนอยู่กับหัวหน้ากองพูดไปก็เหมือนนินทานายจะโรคจิต <c oughs> <c oughs> งานชิ้นหนึงแก่บางทีห้าสิบครั้งเนะี่ยแล้วสมัยนั้นคอมพิวเตอร์ไม่มีนะให้เด็กพิมพ์มพดิบนะ่ะมันพิมพ์จะไป็กลับบ้านไม่ถูกนะหมดแรงนะค่ําลงแนละ้วโตเตลออกจากสำเนาไปแล้วนะไปถึงวัดเบญจฯเด็กอนะ่ะมันหมดแรงมันหลับอยู่คนต้นไม้อยอนสว่างเลยโอ้อยู่กับวัวหน้าอย่างนี้คิดดูประสาทกินเนี่ยกลุ่มใจนะนั่งดูความกลุ้มใจไปเรื่อยเลยไม่รู้จะทํำยังไง สมัยนู้นงานก็หายากเนี่ยเรียนรัฐศาสาตร์อย่างที่แม่มหางานยากนั่งดูไปเรื่อยเลยนะวันไหนเขาไม่มามีความสุขรู้ว่ามีความสุขวันไหนก็เรียกบ่อยมีความทุกข์รู้ว่ามีความทุกข์นั่งดูไปหาทางต่อสู้กับจิตใจตัวเองนะเขาปราบเขาไม่ได้หรอกเขาเพี้ยนไม่มีเหตุมีผลอะไรใช้กระทั่งไสยศาสาตร์เนะี่ย <g ül> ไปหาหลวงปู่เทศไปทำบุญกับท่านตอนท่านให้พร อ, อธิฐานหลวงปู่จะประคุ น, นึกในใจให้พ้นใหญ่คนนี้ดีเหอะไม่รู้จะทำไงแล้วนั่งดูมันทุกวนันทุกวนันตั้งหลายปีพอหลวงปู่ให้พรจบท่านหันมายิ้มหวานเลยกรรมโอ้สบายใจกลับมาะจนต่อ ช่วงที่ระจนกับโลกยุ่งเหยิงก็เป็นช่วงที่ภาวนาง่ายพอช่วงไหนชีวิตราบเรียบมันเผลอเพลินง่ายเพลินๆนะเพลิ น, ลนช่วงไหนมีปัญหาประสบความยากลาบากเนี่ยสติปัญญานหมุนจีเลยหาทางพ้นทุก <c oughs> ปฏิบัติตั้งแต่ตื่นเลยนะ ตื่นวันจันทร์รู้สึกนี้ตื่นวันศุกร์รู้สึกนี้าตั้งแต่ตื่นทานข้าวก็รู้ใจทำอะไรก็คอยรู้ใจเห็นหน้าคนนี้ก็รู้ใจของเราเห็นคนนี้รู้ใจของเราเห็นคนนี้เราดีใจเห็นคนนี้เรารํำคาญอะไรคอยรู้ไปเรื่อยในการปฏิบัติเราทำได้ทั้งวันเลยถึงเวลาเลิกงานออกจากที่ทำงานแล้วโอ้รถเต็มแจ้งวัฒนะเลยเห็นรถเต็มถนนเนี้ยเห็นแล้วเบื่อ หรือว่าเบื่อกรอบเป็นไงกรอบเออดีนะเผลอไปแล้วรู้ไัวันะดีที่รู้ว่าเผลอมีกิเลสแล้วรู้ว่ามีกิเลสดีนะอันนี้ไม่ใช่หลวงพ่อพูดเองนะพระพุทธเจ้าสอนอย่างนั้นจิตเป็นกุศลรู้ว่าเป็นกุศลดีเลิศเนี่ย จิตเป็นกุศลไม่รู้ว่าเป็นกุศลใช้ไม่ได้จิตเป็นอกุศลรู้ว่าเป็นอกุศลเนี่ยดีแต่จิตเป็นอกุศลไม่รู้ว่าเป็นอกุศล น, นี้ใช้ไม่ได้เลย น, นี่เรยวสุดๆเลยเพราะเอาดีไม่ได้ละงั้นอย่างเราเฝ้าดูใจของเราเป็นนี่เราเห็นกิเลสนี่เราดีนะพระพุทธเจ้าว่าดีแต่ก่อนนี้เราทำบุญทำทานเรานึกว่าเราดีเราดูไม่ถึงจิตถึงใจเราไม่เห็นจิตที่มีอกุศลของเรานะก็ไม่ดี ตามรู้นี่เราไม่ได้ตามไปทั่วๆไม่ได้วิ่งตามเขาไปนะคำว่าตามรู้นี่หมายคือตามรู้อยู่ที่กายที่ใจเอาอันเดียวใช่ตามรู้อยู่ที่ใจยกตัวอย่างอยู่ที่ใจอยู่ที่ใจอย่างเดียวแหละพอตามองเห็นรูปใจเรารู้สึกไงเรารู้ทันเราไม่ได้ห้ามไม่ต้องวิ่งตามลูกตาไปด้วยว่าอตอนนี from, place place ้ไปเห็นดอกไม้นะดอกไม้ไม่ดีนะอย่า ง, งานั้นอย่างนี้ไม่ต้องไปคิดอย่างนั้นให้รู้ที่ใจอันเดียว เพราะงั้นเ ร, รู้อยู่ในจุดเดียวแหละแต่สำนวนมันต่างกันนะแล้ว ร, รู้อยู่ที่ใจเราอย่างมาหลายครั้งเคยได้ยินหลวงพ่อเล่ามั้งว่ามีคนมาปฏิบัติมาถามมาเรียนอย่างเนี้ยพอเรียนเสร็จแล้วสี่โมงเลิกเขาเข้าคลานเข้ามาเล่าผมภาวนาเป็นละถ้าผมออกจากสาราไปผมได้กลิ่นดอกไม้หอมผมรู้ว่าดอกไม้หอมเนียถูกไหม ใครว่าถูกว่าถูกแสดว่าอย่างฝังไม่รู้เรื่องดอกไม้หอมไม่ใช่กายไม่ใช่ใจของเรานะมีปัศนาให้ดูกายดูใจของเราเพราะงั้นออกไปได้กลิ่นดอกไม้หอมใจมันชอบรู้ว่าชอบใจมันอยากสงสัยว่าดอกอะไรรู้ว่าสงสัยนะต้องรู้ให้ถึงใจหรือจะรู้กายก็ได้มือเอื้อมไปจะไปหยิบเด็ดดอกไม้รู้ว่าเห็นรูปมันไหวออกไป ถ้ารู้กายได้ก็รู้กายรู้ใจได้ก็รู้ใจถ้ามีกำลังพอก็รู้ใจไปกิเลสอยู่ที่ใจไม่อยู่ที่กายกายเป็นแค่บ้านของใจบางคนไม่มีกำลังพอจะรู้ใจก็ไปรู้กายไปก่อนไปเฝ้าหน้าบ้านเดี๋ยวค่อยวันหนึ่งค่อยเห็นใจเม่อเราเฝ้าอยู่ที่ใจอันเดียวตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์รู้อยู่ที่ใจแต่ไม่ใช่นั่งจ้องนะตรง น, นี้ต้องระวังไม่จ้อง จะจ้องอยู่ที่ใจนะเริ่มมองือนองชั้นเฉยนี่จิตเป็นกลางไม่ใช่นะกําลังหลงผิดอยู่งั้นปล่อยให้มันตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์ไปตามธรรมดาพอกระทบแล้วเนี่ยเกิดความรู้สึกอะไรปล่อยให้มันรู้สึกไปตามธรรมดาเรามีหน้าที่ตามรู้ความรู้สึกที่เกิดขึ้นมาใน ใ, นใจเงั้นถ้าเห็นหมาวิ่งมาจะรู้อะไร หมาบ้าวิ่งมารู้ว่าหมาบ้าตายเลยนะรู้ว่ากลัวเนะี่ยหรือรู้ว่ารังเกียจอย่างเงี้ยนะจะรู้เข้ามาให้ถึงกายถึงใจนะถึงจะเป็นมิปัสสนาไปรู้ว่าดอกไม้หอมรู้ว่าผู้หญิงสวยอะไรเนี่ยนี่สมมุติบัญญัติทั้งหมดเลยดอกไม้ก็บัญญตัติผู้หญิงก็บัญญัติอยเงีนะ้ยรู้เข้ามาให้ถึงกายถึงใจ หนีไปละบอกไหมเป็นไงทำอะไรอยู่จิตใจแอบไปทำอะไรเวลาจะมาถามว่าทำอะไรหมายถึงทางใจนะคนไล่ถามถา ม, ถามบอกทำฟันอย่างนั้นไม่ต้องนะไม่ได้ถามถามคนที่ทำอะไรอยู่เผลอครับคนนี้คิดอยู่ครับเนี่ย มาถึงคนนี้ทำฟันค่ะได้ฟังตั้งนานไม่รู้เรื่องแหมหนีไปละเวลาจิตใจหนีไปเที่ยวพอดูกันออกไหมเวลามันหนีไปมันไปรู้อย่างอื่นมันไม่รู้กายรู้ใจะถ้าไม่รู้กายรู้ใจก็ทําวิปัสสนาไม่ได้แต่ถ้านั่งจ้องกายจ้องใจก็ไม่ใช่วิปัสสนานะ อย่างไปนั่งจ้องลมหายใจของเราอยู่จ้องไม่ยอมให้จิตหนีไปไห น, นห้ามนั่งจ้องนั่งจ้องเราจิตมันนิ่งเพาจะจะราาู้ทนนันว่าจิตไปอยู่ที่ลมจิตไปอยู่ที่นั่นจิตดูอันเดียว ด, ด, ดูออกไหมให้ดูจิตอันเดียวนั่นแหละไม่ใช่ว่าตอนนี้ไปดูลมตอนนี้มาดูกาย ตอนนี้ไปดูวันโน้นอันนี้ดูข้างนอกเลยไม่ใช่ดูจิตอันเดียวนะเนี่ย <S <S พี่แหม่มดูออกไหมมันดูออกไปอย่างนี้ถ้าตามความรู้สึกก็ว่าส่งนอกนะบางสำนวนก็บอกส่งในส่งไปหาความคิดของเราแล้วแต่สำนวนไม่ไปดูกายว่าเป็นไงบ้างเออดีนะ ดีแล้วแล้วโยอโยอกำลังใจลอยเลยเนือใส่เสื้อมันรูปอะไรอ่ะมาโอมาญี่ปุ่นไ <c oughs> งเป็นไงบ้างคนข้างหลังเลยเนะ่ะฝึกมาจากไหนเหลืออ่านใจตัวเองฮะ อ่านหนังสือไม่ได้เรื่องหรอกอ่านที่ใจของเรามีความสุข ก, ก็รู้ทุ ก, ก็รู้นะจิตเป็นกุศลก็รู้เป็นอ ก, กุศลก็รู้ให้ตามรู้ไปเรื่อยๆไม่บังคับเขานะอย่าไปนั่งจ้องนั่งเพ่งใส่เขาปล่อยให้เขาทำงานไปอย่างเดินไปเห็นสาวสวยใจมันชอบเขารู้ว่าชอบเนี่ยแต่ถ้าสมถะนี่มันจะรู้ออกไปรู้อย่างอื่นไม่รู้กายรู้ใจตัวเอง เจอไปแล้วทราบไหมเนี่ยหัดอย่างเนี้ยมันหนีไปแล้วรู้นะไม่ห้ามเขานะเราไม่ห้ามหรอกถ้าเขาหนีไปแล้วเราคอยรู้ทันญ่นะคุณปลางหายหนาวแล้วยังพอนาเป็นไงมั่ง <c oughs> รู้สึกตัวให้ชัดขึ้นนะ ใจมันเบาไปมันลอยๆอยไปความรู้สึกตัวให้มันชักดกว่านี้คือคักไว้เคลื่อนไหวกับปีกับเปล่าดูออกไหมไม่เหมือนกันนะอย่างตะกี้มันซึมไปนะมันนั่งซึมแล้วมันจะเบาเบาไปหมดเนี่ยอ่าเนี่ยใดูไม่งั้นเดี๋ยวเราจะไปเพลิน ถ้าอยู่ตรงนี้จะเพลินนะมองโลกสวยงามหมดเลยยิ้มกับสายลมแสงแดดก็ได้นะ <c oughs> ถ้ารู้สึกไว้นะให้จิตใจมันกับพี่กับเหล่าออต้องอย่างนี้นะไม่เหมือนกันดูออกไหม <c oughs> แต่มันเพลินอะนะนะต้องรูทันมันอันไหนที่เรารู้ทันแล้วเราไม่ติดอันไหนรู้ไม่ทันเราก็ไปติดอันนั้นแทน เนี่ยใจเราหนีไปทราบไหมดูครันะใจเราก็ไปวิ่งไปคุณก้าเป็นไงมั่งหมู่นี้มือตกไหมคุณมาจากกรุงเทพมันเหรอมากับทีมไหนล่ะ <c oughs> เอามาด้วยกันแ <c oughs> าแยากวง <c oughs> เฝ้รู้เรื่องไหมเนี่ยคอยสังเกตนะตาหูจมูกลิ้นกายใจให้มันกระทบไปตามธรรมดาแหละนะแล้วคอยสังเกตความเปลี่ยนแปลงในใจของเราเราจะพบว่าใจเราเปลี่ยนแปลงทั้งวันเลยอย่างตอนนี้กับตะกี้ก็ไม่เหมือนกันค่อยเฝ้ารู้ความเปลี่ยนแปลงไปแล้วการปฏิบัติจะง่ายมากเลยถ้าเราไม่เก็บกดด้วยนะ เบื้องต้นถือศีลห้าไว้ก่อนะงั้นเดี๋ยวเราจะบอกว่าทุกอย่างว่างเปล่าเคยมีพี่การสื่อสารคนหนึ่งนะไปสั่งก๋วยเตี๋ยวว่าเด็กส่งช้าตบฟุตอบเพราะทำไมจิตดีฉันว่างโอ้จิตว่างตอบหน้าเขาได้ด้วยงั้นะต้องถือศีลไว้ก่อนนะงั้นปัญญาก็กลายเป็นหอกทิ่มแทงตัวเองทุกอย่างว่างไม่มีคนตอบได้ เดี๋ยวก็เอาปังต่อเฉาะคืนให้เขาก็ว่างเหมือนกันเลไงอรุณีเป็นไงรู้สึกตัวบ่อยไหมอืมเอ่อคอยดูเปงั้นน่ะนะอีกไหนก็รู้เองแล้วทำไมหนักทำไมเบาเมื่อไหร่ตั้งใจดูมันก็หนักนะเมื่อไหร่ไม่ตั้งใจดูก็เบา เมื่อไหรไม่ดูเลยนะเพลินไปเลยไม่รู้ไ ม, ไม่ว่ามันหนักหรือเบาใครจะถามอะไรเชิญนะวันนี้มาเยอะรู้จะพูดอะไรแล้วฝึกใหม่เนี่ยนะเราต้องจับหลักให้แม่นก่อนนะว่าอันไหนเป็นสมถะอันไหนเป็นวิปัสนาแล้วนะเราเรียนเรื่องวิปัสนาให้เยอะหน่อยเพราะสมถะไม่ต้องเรียนก็ทําเป็น พิพิธนาเนี่ยคือเราต้องรู้กายรู้ใจนะวิธีรู้จะรู้ได้ต้องไม่เผลอเพราะฉะนั้นเราต้องเรียนเรื่องทำไงจิตจะรู้สึกตัวหัดสังเกตจิตที่มันไหลไปมันคอยไหลแวบแวบเนี่ยคอยรู้ทันไปเรื่อ ย, อยถูกต้องแล้วต้องไหลก่อนแล้วรู้ทีหลังถูกต้องแล้วนะจะไหลไปรู้ไปไม่ได้ ่าไปรู้ก่อนไหลก็ไม่ได้ถ้ารู้ก่อนไหลคือเป็นนั่งดักเอาไว้นั่งจองเอาไว้ผิดเลยเพราะฉะนั้นให้มันหลงไปก่อนแล้วค่อยรู้ไวๆอย่าให้หลงยาวการที่เราเห็นว่าเอ๊ะดูทีไรดูไม่ทันทีหลงไปก่อนทุกทีนั่นเห็นถูกต้องแล้วเพราะว่าอากุศลเนี่ยเกิดพร้อมกับสติไม่ได้มันต้องหลงไปจิตหลงไปเป็นอกุศลและจิตจิตที่รู้ว่าหลงเกิดทีหลัง ในขณะที่รู้ว่าหลงเนี่ยจิตไม่หลงแล้วเกิดกุศละจิตล้วเพราะฉะนั้นพอเผลอไปเนี่ยเป็นอกุศลพอรู้ขึ้นมาเป็นกุศลเดี๋ยวเผลอใหม่ก็เป็นอกุศลใหม่ะเนี่ยสลับไปเรื่อยๆเดีจะเห็นเลยว่ากุศลเกิดแล้วก็ดับอกุศลเกิดแล้วก็ดับะจะให้รู้สึกสึกตัวบ่อยต้องทําสติปัฏฐานสติปัฏฐานเนี่ยทําให้รู้สึกตัวบ่อย เราต้องตั้งใจไว้ก่อนนะว่าถ้าสมมุติเราทํากายเนี่ยถ้าเราเกิดขยับตัวเราจะคอยรู้สึกตัวไม่ให้ใจลอยพอใจมันลอยเนี่ยเราขยับไปแล้วค่อยรู้สึกไปจะเคลื่อนไหวจะทําอะไรนี่คอยรู้สึกไปเดินจงกรมนะเกิดแล้วก็คอยสังเกตใจของเราใจเราไหลไปอยู่ที่เท้าก็รู้ทันใจหนีแวบไปเที่ยวที่อื่นก็ค่อยรู้ทันเรารู้ทันแล้วความรู้สึกมันจะเกิดอย่างเราใช้การเดินจงกรมทําสติปัฏฐานก็ได้ งั้นเราจะรู้กายนะรู้กายไว้เนี่ยคกมอย่างเงี้ยรู้ไหมโกมอย่างเงี้แต่ใจลอยนึกออกไหมเมื่อกี้เนี่ยเนี่ยเราต้องหัดอย่างเงี้ยนะเคลื่อนไหวด้วยความรู้สึกตัวหัดไปเรื่อยต่อมาพอเราเผลอพอเราเผลอปุ๊บตัวเราปกติมันเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลามันไม่ได้งหอกนะพอเราเผลอเนี่ยเราคุยกับเพื่อนเอนินพยักหน้าขึ้นเนี่ยรูปมันไหวเนี่ยมันรู้สึกตัวแล้วสติจะเกิดขึ้นเอง แะสติที่เกิดเองเนี่ยเป็นสติตัวจริงสติที่ทำให้เกิดเป็นสติตัวปลอมจะ แ, แข็งแข็งใช้ไม่ได้จริงหรอกสติแกล้งทำหรือเปล่าหรือสติมันเกิดเองเนี่ยอย่างเวลามันเผลอแว บ, บเนี่ยแล้วเกิดรู้ทันว่าเผลอสังเกตไหมใจเราโล่งว่างขึ้นมาเลยแต่ว่าเอ๊ะตอนนี้เผลอยังนั่งเที่ยวหาไงเนี่ยอย่างเงี้ยสติแกล้งทานะ ก็อึดอัดขึ้นมาเลยแต่ถ้าเราเผลอใจลอยอยู่นะเกิดหันมาเห็นอาตมาเข้ารีบรู้สึกตัวเลยมันเกิดรู้สึกเองอะ่ะนะนี่สสติของจริงสติจริงไม่ได้แกล้งทาได้ไ ด, ได้แต่ต้องทําให้เป็นนะต้องรู้ว่าเคลื่อนไหวเพื่อรู้สึกตัวนะไม่ใช่เคลื่อนไหวเพื่อจะเคลื่อนไหวไม่ได้นะ เมื่อวานหมอกำผลก็มาะมาเรียนอย่างเขาเคลื่อนไหวนี่นะเคลื่อนไหวไปพอเราเคลื่อนไปงี้พอใจเราลอยสมมติใจเราลอยไปที่อื่นปุ๊บอ๋อไอลอยไปละไปรู้สึกอย่าหนึ่งเคลื่อนไหวห้ามไปเพ่งใส่มืออย่าให้จิตเคลื่อนเข้าไปถ้าจิตเคลื่อนเข้าไปหลงจิตไม่ตั้งมั่นใช้ไม่ได้เหมือนกั น, นะจะไปเพ่งมือหรือเพ่งลมหายใจมันก็เพ่งเหมือนกันนั่นแหละ หรเดินจงกรมจิตไหลไปลงไปอยู่ที่เท้าใช้ไม่ได้ใช่จิตไม่ตั้งมั่นจริงหรอกจิตไปหลงอยู่ในอารมณ์มันเดียวนะเพราะงั้นเราจะทําอย่างหลวงพ่อเทียนก็ได้นะจะดูพองยุบก็ได้อะไรก็ได้ทําไปเถอะนะยิยาบทสี่แบบอาจารย์แนบก็ได้แต่ทําเพื่อให้มีสตินะไม่ใช่ทําเพื่อจะทำส่วนมากจะทําเพื่อจะทําว่าต้องเดินท่านี้ถึงจะถูก เดินท่าอื่นผิดสัมนักอื่นผิดใช่ไหมไม่ได้ทําเพื่อสติถ้าทําเพื่อสติแล้ว้องไม่ทะเลาะ ก, กันนะ่ะจะหายใจอย่างท่านพุทธาสก็ได้แต่หายใจไปรู้สึกตัวไปไม่ใช่หายใจออเอาเคลิมนะอย่างท่านจะฝึกหายใจต้องหายใจออกก่อนนะอย่าเริ่มด้วยการหายใจเข้านะพระเจ้าสอนให้หายใจออกก่อนนะลองสังเกตดูสิถ้าหายใจเข้าก่อนกับหายใจออกก่อนเนี่ย ความรู้สึกไม่เหมือนกันลองดูลองหายใจดูก็ได้ให้เวลาหายใจหนึ่งนาทีลองกำหนดตอนหายใจครั้งแรกเนี่ยถ้าหายใจเข้าแล้วเรารู้เนี่ยรู้สึกไหยความรู้สึกเป็นไงถ้าเริ่มต้นปฏิบัติ ด, ด้วยการหายใจออกเนี่ยความรู้สึกเป็นไงไม่เหมือนกันหรอกลองดูนใครตอบได้บ้างตอบได้ยัง <c oughs> ใช่ หายใจออกเนี่ยจะเริ่มต้นด้วยความผ่อนคลายถ้าเริ่มต้นด้วยการหายใจเข้าเนี่ยจะเอาจริงเอาจังเอาจริงเอาจังกัผิดเลยเมื่อหายใจออกรู้สึกตัวรู้สึกง่ายกว่าหายใจเข้านะหายใจเข้าอย่าแน่นเกินไปเกร็งเกินไปตั้งท่ามากไปเมื่จะไปดูพระสูตรเนี่ยจะเริ่มต้นด้วยหายใจออกยาวก็รู้ว่าหายใจออกยาวไม่ได้เริ่มว่าหายใจเข้า แต่ของเราส่วนมากจะเริ่มด้วยหายใจเข้าใช่ไหมที่เรียนกันทุกวันเนี้ยเรียนไม่ตรงกับที่พระพุทธเจ้าสอนบางทเยอะเลยมีคําสอนของอาจารย์นี่เยอะกว่าคําสอนของพระพุทธเจ้าเราเลยปฏิบัติลําบากแล้วเริ่มหายใจออกก่อนเลยฮ่ไม่มีแรงจะตั้งท่ารู้สึกไหมหายใจออกก่อนไม่มีแรงจะตั้งท่าไม่มีแรงเกร็งหายใจเข้าก่อนหน้าแบบเคยดูหนังซามูไรไหมฮ่าจะฝันแล้วนะตั้งท่า น้นปล่อยไปนะหายใจออกสบายๆรู้สึกไปนะเสร็จแล้วพอเราเริ่มต้นถูกเนี่ยต่อไปไมิจะาหายใจสบายๆแต่ถ้าเริ่มต้นแบบเกร็งนะมันก็เกรงตลอดวันแม้กรรมฐานอะไรก็ได้นะหายใจออกแล้วจิตใจผ่อนคลายรู้ว่าจิตใจผ่อนคลายนะเข้ามาวิปัตสนาได้แล้วต่อมาจิตใจที่ผ่อนคลายชักจะไม่ผ่อนคลายนี่ รู้ทันความเปลี่ยนแปลงงันจริงๆแล้วกรรมฐานไม่ยากเลยนะจับหลักให้แม่นทำอะไรก็ได้เข้าสำนักยังไงก็ได้ก็มีข้อยกเว้นเหมือนกันแหะนะสำนักนอกศาสนาพูด เ, ย, เยอะนะ <c oughs> ใจลอยไปแล้วรู้ไหมเออหัดอย่างเงี้ยนะใจลอยเรารู้ใจลอยเรารู้ไม่ว่ามันนะ บางคนนั่งด่าตัวเองโง่เงินใจ้อยทั้งวันนั่นแหละมึงกำลังมีความโกรธ น, นะเพราะงันจริงๆง่ายนะพระเจ้าบอกให้ตามรู้กายตามรู้ใจ ตามรู้ไปมันเป็นยังไงรู้ไปเรื่อยเรืยรู้สบายสบายง่ายนิดเดียวเลยไอ้ที่ยากเพราะเราไปทําให้ยากเองเราไปบังคับใจถ้าเวาเราจิตเราหลุดไปข้งนอกเนี่ยถ้าเรามตามถึงมันพันแล้วเราคนนี้เราจะไม่ดึงกลับไม่ดึงไม่ดึงคืออย่างงี้<ๆ>ตอนที่จิตหลงไปข้างนอกเนี่ยนะจิตเป็นอกุศลตอนที่รู้ว่าจิตหลงไปข้างนอกเนี่ยจิตเป็นกุศล ตอนที่อยากดึงกลับเนี่ยจิตเป็นอกุศลอีกแล้วะจิตแอบไปทํางานตามความอยากล้วเพราะฉะนั้นรู้ทันว่าอยากดึงกลับนะทําไมหลวงพ่อถึงไม่ให้ดึงกลับลองสังเกตดูสิถ้าหลงไปแล้วดึงกลับเนี่ยจะแน่นขึ้นมาเลยทําไมมันแน่นทําไมความทุกข์มันเกิดทําไมความเครียดถึงเกิดเพราะมันมีความอยากอยากเอาคืนนะความอยากเกิดขึ้นมาความทุกข์ก็ตามมางั้นเราดูไปนะจิตไม่ได้มีอยู่ดวงเดียว จิตนั้นเกิดดับจิตที่เผลอไปเป็นอกุศลจิตจิตที่รู้ว่าเผลอเป็นมหากุศลจิตจิตที่อยากเอาคืนเป็นอกุศลจิตคนละดวงกันเพราะงั้นพอเผลอแล้วรู้ว่าเผลอพอละทําหน้าที่ของเราจบแนละ้วหังจากนั้นเผลอครั้งใหม่รู้ครั้งใหม่เริ่มต้นใหม่อย่าไปเฝ้าเอาไว้อย่าไปจ้องไว้ส่วนมากของเราพอรู้ว่าเผลอเราก็มาบังคับไม่ให้เผลอ คอยนั่งเฝ้าเอาไว้อย่างนั้นไม่ดีนะฮะ เ, เหนื่อยเครียดไม่เฝ้าท่านไม่ได้ให้เฝ้าท่านให้ตามรู้อีกหน่อยมีลูกก็เอาไปเลี้ยงลูกได้นะวิชาตามรู้คิดดูสิถ้าเรามีลูกคนหนึ่งล้วนั่งเฝ้าตลอดเวลาเด็กประสาทนะเอไม่ให้ค่าสายตาประสาทกินนะออจิตก็เหมือนเด็กอะ่ะะปล่อยให้มันซนเราคอยชำเลืองไม่ให้มันตกท่อไปก็พอแล้ พยายามรู้ให้ถึงจิตถึงใจเรานะจะได้สั้นๆในทางเดินอะ่ะถ้าเรารู้ลมเดี๋ยวก็รู้ลมหยาบลมละเอียดนะลมไม่ใช่เราอะไรเงี้ยโอ้กว่าจะเห็นกิเลสนานหรือเราหายใจไปแล้วใจเราพอใจใจมีความสุขรู้เข้ามาถึงใจใจมีราคะเกิดขึ้นละรู้ที่ใจเพราะฉะนั้นตาเห็นรูปก็รู้ที่ใจหูได้ยินเสียงรู้ที่ใจนะสติเราไปรู้ลมหายใจก็มารู้อยู่ที่ใจใช่หลักอย่างนี้ รู้ใจลูกเดียวแ้ง่ายถ้าเฝ้ารู้อยู่ที่ใจลูกเดียวนะเป็นวิธีปฏิบัติตั้งแต่ต้นจนจบได้เลยถ้าไปรู้อย่างอื่นเนี่ยต้องไปปรับวิธีใหม่ตอนหลังแล้วขั้นสุดท้ายก็ต้องมารู้อยู่ที่ใจ ไม่เป็นอ่ะนะคืออย่างนี้ถ้าต้องการพักผ่อนทาสมถะไปเวลาทำสมถะก็ไม่ต้องสนใจเรื่องวิปัสนานะเหมือนเวลาเราทำงานอะ่ะไม่ได้เป็นเวลาเจริญสติแต่ถ้าใจเราเรามาหายใจปิดตาแล้วมาดูอยู่ที่ใจเราเห็นใจของเราค่อยๆสงบรู้ความเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆนะโดยที่เราไม่บังคับอย่างงั้นใช้ได้อย่างนั้นก็ใช้ได้ไม่บังคับปล่อยเข้าไปแล้วเราตามรู้ใช้ได้นะ แทนที่จะต้องเริ่มด้วยตากระทบรูปเนี่ยมาตัดทางตาหูจมูกลิ้นกายออกมาเหลือที่ใจอันเดียวแล้วเฝ้ารู้ลงไปต้องระวังอันเดียวอย่าไปจ้องะถ้าถ้ารู้เฉยๆได้แล้วก็ทําวิปัสสนาได้แต่มาเป็นกานทําเยอะอย่างนั้นนะปิดตาไปแล้วนั่งรู้ความรู้สึกที่เปลี่ยนไปเรื่อยๆมันเปลี่ยนนะเดี๋ยวก็แวบไปคิดเรื่องนี้ลนะ้วเนี่ยโทสะเกิดเนีนะ่ยคิดถึงหัวหน้ากองหัวหยิดขึ้นมาอีกแะ้วนะ คิดขึ้นได้ว่าโอ้พรุ่งนี้เขาจะไปใส่สัมปนาโอ้มีความสุขขึ้นมานะ่ะนะไงคุณวุฒิใจลอย <c oughs> คุณดูออกไหมเนี่ยเกียรมันหนีมามันเสือไปแวบหนึ่งเงีนะ้ยมันแวบคอยรู้นี่หลงคิดละคุณอนะรู้สึกตัวไหมใจลอยไปละนะไม่เลิกคิดรู้สึกไหมใจมันแข็งแข็งแนะข็งแ ข, ข็งผิดเลยนะรู้เลยหยุดเลยทำผิดแล้วอย่าขยัน ล้มกระดานเริ่มต้นใหม่ง่ายกว่ า, อ ย, ายนะ อ, อ, อย่างพยักามนะเอออย่างเงี้ยปล่อยมันทิ้งอย่างเงี้ยแล้วรู้สึกความเปลี่ยนแปลงไปถ้าเล่นนั่งฟ้านั่งจ้องทั้งวันเหนื่อยตายเลยที่พูดได้เต็มปากเพราะแตมาจ้องมาแล้วอะไรที่โง่โ ง, ง่ทำมาก่อนแะละ้วแล้วทําด้วยความอดทนมากเลยนะโอโ้สารพัฒนเลยน่านใจรอย หนีไปแล้วศาสตรการเดียวกับเหมือนไม่เหมือนเลยแล้วมีบุญเนาะ <c oughs> ใส่ถั่วจนนิ้วค่ะคุณเป็นไงมาสี่ครั้งละ <c oughs> ดีแล้วลนะ่ะฝนว่าไงเป็นไงมัง่งรู้เรื่องอย่างเรียนมานาน เรียนมันนานจนเข้าขั้นโบราณวัตถุแล้วแปลว่าอะไรนานๆครั้งโอ้น้อยไปหน่อยนะไปเพิ่มขึ้นร้อยเปอร์เซ็นนะดูให้ได้สองครั้งนะแล้ววันต่อไปเอาสามครั้งครั้งหนึ่งอะ่ะมันขนาดเดียวไม่ใช่ครั้งละชั่วโมงนะ ใจเราเผลอแวบรู้ว่าเผลอนี่แค่นี้เองเอาใครจะถามนะเชิญเอาเชิญนกตอนนี้เหร อ, อ น, นกปกติไปก่อนยังไม่ต้องรอคำตอบตอนนี้จิตมันเปลี่ยนสภาวะไปแล้วอย่าไปแกล้งทำาแกล้งทำเอออย่างนี้รู้สึกไป แลเดี๋ยวมันก็ไม่ว่างว่างก็ไม่เที่ยงเห็นไหมตอนนี้ไม่ว่างละดูบอกไหมนี่ยดูไปอย่างเงี้ยนะเรื่องอะไรต้องไปทําให้ลําบาก ด, ดูมันสบายๆเร า, ามันพวกสุขขาปฏิปทาทาอเออก็ดีแล้วเนี่ยอกูสนมันน้อยลงไม่ลําบาก แล้วก็ดีแล้วอย่าไปแปลกอย่าไปหาความลําบากอีกนะเนี่ยหัวเราะอยู่อย่างเงี้ยรู้สึกไหมมันเบิกบานมันสบายเนี่ยแหละความรู้สึกตัวจริงๆอยู่ตรงนี้เลยนะตรงนี้เผลอนะตรงนี้เผลอคิดไปและเนี่ยแค่นี้เองนี่แหละตรงนี้แหละที่เรียกว่าปฏิบัติถูกหละแค่นี้จริงๆนะไม่เกินนี้เลยแล้วเสร็จแล้วเราจะเห็นสภาวะธรรมเต็มไปหมดเลยเช่นอะไรแปลกปลอมเข้ามานิดเดียวก็เห็น แล้วจะเห็นเลยมันมาแล้วมันไปไม่เกี่ยวกับเราใจนี่จะตั้งมั่นเด่นดวงอยู่เงี้ยถ้าเมื่อไหร่ใจไหลเข้าไปยึดอารมณ์ก็จะเห็นว่าความทุกข์เกิดขึ้นนิดเดียวก็ทุกข์ละเพราะงนั้นะจิตที่ตั้งมั่นรู้เนื้อรู้ตัวถ้าใช้เราย้ายบ้านค้นกองขยะแล้ะถ้ามันไหลกลับเข้าไปกองขยะนิดเดียวก็เห็นทุกข์แล้วไม่ใช่ตรงนี้นะตรงนี้หลงคิดเออก่อนหน้านี้ใช่แค่นั้นจริงๆไม่เกินใช่ใช่ นะเพราะว่ากูสนก็ไม่เที่ยงนะนั่นแหละจริงๆริงแค่นั้นเองอะฝึกแค่นั้นอะพอเดินได้ค่อนทางเลยตรงเนี้ยเผลอแล้วนะเห็นไหมหนีไปแล้วนะเออแค่นี้แหละตรงเนี้ยเอาใครจะถามอะไรเชิญนะ นึกว่าฝนยกมือบอกใครจะถามอะไร ก็ดีแล้วล่วนะก็ฝึกไปคือใจเราบางครั้งก็หลงยินดียินร้ายนะแต่จเจริญสติมากเข้านีงทีก็เป็นกลางกลางนะแต่กลางมีสองกลางกุ้งสังเกตนะกลางเพราะสมถะหรือว่ากลางเพราะปัญญาเนี่ยเราสังเกตเอากลางเพราะสมถะก็คือเราน้อมใจเข้าไปยินดีพอใจในอารมณ์ันเดียวไม่อยากยุ่งกับอะไรนะถ้ากลางเพราะปัญญาก็คือเห็นว่าอะอย่าง เสลอจะรู้เนี่ยก็เหมือนเหมือนกันนะเผลอไปได้มันก็รู้ได้รู้ได้มันก็เผลอได้ใจก็ไปกลางให้กลางด้วยปัญญาอือ ต, ตรงนี้ไงที่มันมีสองแบบนะสองแบบเพราะว่าอันหนึ่งเนี่ยเราทําสมถะเอาไว้นะอีกอันหนึ่งเราตามรู้ไปเรื่อยๆรู้ไปเรื่อยๆนะกระทบใจธรรมดาอย่างเงี้ยแต่ว่าเราคอยรู้ความเปลี่ยนแปลงในใจเรื่อยๆแล้วมันเป็นเอง ถ้ามันเป็นเองหลังจากผ่านการรู้มันใช้ได้อ น, นั้นน่าดีที่สุดเลยคือถ้าเมื่อไหร่จิตไปรู้สังขารคือความปรุงแต่งรู้ไปเรื่อยนะเห็นแปรปลวนเห็นเกินตาไปเรื่อยจอกระทั่งมันเป็นกลางะเขาเรียกว่าสังขารู้เบกขาจะทำไปทําไปอีก อ๋อต้องดึงให้คลายเหรอเพราะว่าอยู่ในกลุ่มคนนี้อ๋อใช่งั้นบางทีจิตมันหนีไปเฉยๆคอยสังเกตนะใครขนาดนั้นไม่อยากยุ่งกับคนอื่นหรือเปล่าคือปากคือพูดให้ออกค่ะอ๋อส่วนมากเป็นอาการของสมถะทั้งนั้นถ้าถ้าเป็นวิปัสสนาจริงนี่นะปกติอย่างนี้เลย แต่ใจอะเป็นกลางนะแต่ถ้ามีอาการทางใจที่แปลกๆเช่นพูดไม่ออกอย่างเงี้ยนะใจมันเฉยใจมันเข้าไปนิ่งๆอยู่อดีละหลุดออกมาไม่ใช่ทางนะไม่ใช่ทางของมรรคผลหรอกถ้าทางของมรรคผลเนี่ยอยู่อย่างเนี้ยเห็นคนยแย่ๆได้เหมือนเห็นต้นไม้แต่ว่าไม่ใช่ว่าใจเราชอบอันนี้ไม่ชอบอันนี้ ใจเราพอใจที่อยู่ข้างในไม่ชอบข้างนอกอะไรเงี้ยอ๋อเจอเหียดรู้ออ๋อถ้ารู้ถึงจิตถึงใจอยู่ด้วยใช่ไหมออแต่ว่าเป็นอยาให้เขคุยอะไรดนคือเป็นเรื่องแบบไม่เ ป, เป็นเรื่องเรื่งองลแต่รู้กอย่างอืมก็ดีละแล้วดูไปอย่างนี้ก็ได้ว่าสภาวะอันนี้ก็ไม่เที่ยง นะดูอันเนี้ยสภาวะอะไรก็ไม่เอาสักอันอเดี๋ยวก็ปล่อยไปหมดดีแล้วภาวนาเก่งแต่อย่าน้อมใจให้เป็นถ้าเป็นอีกก็รู้อีกว่าเป็นของเกิดแล้วดับมันเป็นเองนเป็นเอ ง, เเ อ, งอ่ะพอแล้วมัง้งเนา ะ, ะเลิกกะแล้กกันก น, น, นี่พี่ชาติชายหายไปไหนไม่เห็นเลย อ๋อย oh, ืนี่ชาติชายป็นไงส่งกันบ้านไหม